بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين ا ل نبينا محمد وعليه ا ل ص ح ب ه والسلام رضي الله صدري ويسر لي أملي وحل أقدا من لساني يفقه قولي ร ر ดี ا ل ل ิลล ب ا ิรั ل ا ะบินอิสลาม ح ิดีนแล ر บิมู ل ัมหมั ن อันราะซูล م อั ا ลอฮุ ر ะอินนาเนาะสัลลุกะอินมะน่ ع ฟิอั ن วาริซ ا ันทาย ا บันและอาหมัลน์มุตะคับลายาห์รั ن บั Allahumma fakihu fi-din wa-alimhu ta'win. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันต um ิพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุอ่านทุกๆกท่าน ก่อนอื่นก็ขอชูโกตอลลสอุบาานะวตาลที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอหน้ากันนะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราหยุดพักกันไปสามเสาด้วยกันถูกไหมสามเสาไหมใช่เพราะว่ามีอยู่เสาหนึ่งเสาสิ้นเดือนเนี่ยผมไปบรรยายที่อาคารไทยริเบีย แล้วก็อีกเสาวหนึ่งช่วงสิบคืนสุดท้ายตรงกับงานวันวิทยุอันนั้นหยุดแล้วก็เสาวหลังจากอีดซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ใครที่ถือสิ้นอดเดินชวาวันก็ยังถืออยู่อ่านั่นหมายความว่าตั้งแต่วันอีดวันพุธวันพฤหัสใครถือสี้นดต่อเลยนะพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันนังคารวันอังคารนี่ก็คือวันสุดท้าย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะถือสวดถือสวดสุนัตหกวันไม่ได้แล้วนะได้ยันนู่นแหละหมดเดือนชาวานนั่นแหละขอฉั้นก็ยังไม่หมดเพิ่งได้แค่สองวันนะขาดอยู่อีสี่เดี๋ยวเก็บสัปดาห์นี้นะดูสะดวกสะดวกก็เริ่มต้นเพราะว่ารอท่านผู้หญิงด้วยก็คือภรรยาจะได้บวชพร้อมๆกันให้เขาบวชกอบอกันก่อนนะ ดังนั้นก็เป็นการเคาะสนิมหน่อยนะเพราะว่าหยุดกันไปทั้งสามเสามารวมรวมถึงตัวฉันด้วยนะอาจจะอ่านช้าๆสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่ในสุรอัลอันอามอ่าเช็คสิสุรอะลันอามอยู่ในยุสที่เจนะครับยุสที่เจนะ อ า, 98. อายะที่91อายะที่91ว่ามากรดารุลลอฮะฮักกอคอดริฮีอิดกอลูเจอไหมว่ามากรดารุลลอฮะฮักกอคอดริฮีอิดกอลูอายะที่91นะครับ Ah, dah e r l e m p a t Nah, Fatihah. a l h a u d z u b i l l a h i m i n a syaitan yang r a j i m Bismillah. i r r a h m a n i r r a h i m الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم مالك يوم الدين อิยังกะนับุดัวอิยังกะนัสตัยน์อิฮดีนัสซิราตัลมุสตั قي มซิราตัลลาวีนัอันงามตะ عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين อากีบอกวันนี้ไม่มีค่อยมีเสียงนะอ๋อให้ฮันจาเสียงดังกันหน่อยกีไม่ค่อยมีเสียง ไปขเสียงที่ไหนมาต่อนะครับอูดุบ uhm ิลลาฮิมีนัสเชตาะนิโรจิมวะมะกัดอรุลลอฮ์ฮักก็กดริฮิ กอลูแม่เจ้าละลอออัลลอฮฺ ل ิดกอลูแม่อิดกอล ا แม่ อัลลอัลลอฮฺอัลลอาฺาัลลอฮฺอัลลอฮฺอลลลลอฮฺอัลลอฮอัลอฮฺอัอฮฺัลลอฮฺอัลัลลอฮอัลลอฮลอฮฺอ قُلْ م َ ا أ َ ن ز َ ل, ل َ الْكِتَابَ ا ل, ل َّ ذ ِ ي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا لِنَّا ดูนิดหนึ่งนะมูซานูอ่านเข้าไปที่วาวเลยนะนูเราแล้วก็วะหูดัลไม่ไ ม, ไม่ไม่ดาวแล้วนะวะหูดัลลินวะหูดัลลินนสัสอย่างนี้น ะ, ะแต่อันนูเราเนี่ยอันนี้หน่วงเสียงนะครับ อ, อีกรอบนึง ก็ล้ أ َ ن ัลลอ ا ฺที่ทรงประทานบทเรียนให้แِ่ผู้ที่รู้จักศึกษาบทเรี ن َّ ا س ِ ดีครับอยู่ตรงกัซีรอนะแต่จะอาลูนั้นหกราติสตุบดูน่าว่าทุ่ฟูนักฟีรอ ดีครับอีกรอบหนึ่งนะแต่จะอาลูนะฮูกอร์ตีสตูบดูนะฮวะทุฟูนะกาธีรอ ยู hmm. ่ตรงกุ้มนะว م าอุลิมตุมมาลัมตั้งเลโมอัตุมวลาเบอُุ م ْ กีนะตะละมูห่วงด้วยนะอะห่วงด้วยยาวมันจะมีทั้งหมดสา ม, สามที่นะครับหนึ่งตะละมูออออันนี้สามนะเหมือนเดิมตุมวละลลตัวที่สองวะอาบาอุกุมบาสามที่นะมัดยาอีสนะครับแล้วก็มัดวาจิบ มัดวาญิบตัวส <lady> ุดท้ายนะครับอาบาเนี่ยมัตวาญิบนะสองตัวนะสองตัวหน้าเป็นมัดยาอิษอ่านยาวทั้งหมดเลยนะครับอ่าอรอบนึงนะวะอุลิมตุมมาตารอบนึ่งวะอุลิมตุมมาเลมตัลเลมูอัลตุมวาลา อุก <uk> um. ุมาเลมตั๋ลามูอัตุมวาลาบอุกุมดีครับกุลิลลัหุสุมมาดร ขุมฟีข้าวดิมยลับอุนขุมฟีข้าวดิมยลับอุนอ و َ ه هذا كتاب ََِ ن آزل ن ا ه ُ مباركم مصدق َِ كل الذي بين يدي เก็บลมไว้ด้วยนะมีฮาอยู่ข้างหลังใบในไดมีลมมีพ่นลมตัวฮาด้วยนะครับอีกรอบหนึง่งววฮาตะกิตะบุนอัลซัลนาฮูมุบารักุมมูสอดดิกลลดีใบยนได วันทุ่งที่เรือมัลควร و แลَผนังหัวเ والتي تذر أم القرا ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة ِ م ن ن ب و ا ل ن م و بالآخرة ي ن و ن به. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. วะฮุม على صلاتهم يحافظون วะฮุม على صلاتهم يحافظون อ่ามาดูความหมายนะครับอัลฮัมดูลิลละเรื่องราวของอัลกุรอานนะ ลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือเมื่อกุรานได้ถูกอ่านหัวใจของเขาจะมีความหวั่นไหวหวั่นเกรงวาเจลัสกูลูบุหุมซึ่งการหวั่นเกรงที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการอ่านบางคนทําไมเราฟังเสียงเชคคนหนึ่งอ่านไกคนหนึ่งอ่านเนี่ยคนละอารมณ์เลยนะ บางคนพอเจอเช็คสุดเดชอ่านโอ้โหมันกินใจเหลือเกินบางคนเจอเช็คมาชารีอ่านก็แล้วแต่บุคคลจะชอบสไตล์การอ่านของแต่ละคนแต่ส่วนหนึ่งนะที่เราจะต้องพิจารณาด้วยก็คือว่าวันเกรงด้วยกับความหมายในกุรานเออถ้าเราวันเกรงด้วยกับบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเราเนี่ยมันจะกินใจมากกว่า ใช่ไหมมันจะกินใจมากกว่านี้เราก็มาดูซิว่าที่อัลลอ์บอกเนี่ยบอกอะไรบ้างจะได้มีความลึกซึ้งในการในสิ่งที่เราอ่านออกไปอัลลอ์บอกว่าวะมากอดารุลลอฮฮักกอดารและพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอ์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตรงนี้เองเนี่ย การให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์คนที่เป็นผู้มุสิกให้แบบจากัดให้แบบจากัดเพราะเวลาที่เขาบอกว่าฝนตกเขาบอกอัลลอฮ์ทำให้ฝนตกอัลลอ์ให้เป็นให้ตายแต่พอเวลาเขาจะทำอิบาด์ดะเขากลับไปผ่านไปผ่านสื่อไปผ่านเจเวิดเอาเจเวิดไปเป็นสื่อเอารูปปั้นมาเป็นสื่อ นะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเอาภาคีมาหุ้นส่วนกอลล์ถามว่าในความที่เขาให้ความยิ่งใหญ่กอลล์ Allah, มีบ้างไหมมีเพราะว่าฉันเคยบอกแล้วว่าคนสองกลุ่มที่ทำสงครามกันพวกมุชลิกีนกับมูมินที่อยู่มาดีนะเวลาสาบานสาบานกอลล์ Allah, ทั้งคู่เลยอบูจาฮันก็วัลลอฮีนบีมุฮัมมัดของเราก็วัดลอฮีสาบานกอลล์ Allah, เหมือนกันแต่แน่นอนว่าสาหรับผู้ศรัทธานเนี่ยให้ความยิ่งใหญ่ แด่อัลลอฮ์แบบทั้งหมดเลยไม่สามารถจำกัดได้ด้วยความยิ่งใหญ่ของรอมีแค่ไหนเว้นแต่ด้วยตัวของพระองค์เองด้วยกับอํานาจของพระองค์นะเราไม่สามารถไม่สามารถจะจํากัดได้เลยนะครับเอาต่อมาอิฟกอลูมาอันซาลลอห์อัลบาชาริมินชัยจงลําลึกขณะที่ภูเขากล่าวว่าอัลลอฮ์มีได้ประทานสิ่งใดแก่มนุษย์ ใดเลยเนี่ไงเริ่มละอ่าไปจำกัดอำนาจของลอแล้วบอกว่าลอเนี่ยไม่ได้ประทานสิ่งใดแก่มนุษย์คนใดเสร็จแล้วอัลลอฮ์จึงมีบัญชานะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดมันอันซาเลกีต่เบลลีจาอบบีฮีมูซานูรวะฮูดลลินนัสจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดและผู้ใดล่ะ ผู้ใดละ่ะที่ได้ประทานคัมภีร์ให้แก่นบีมูซาพรอพวกนี้รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน่าจะมีนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มีนบีมูซาแล้วนบีมูซาก็ได้รับคมภีร์เตารอดไม่ใช่แค่กุรอานกุรอานเนี่ยมันจะบอกของมาใหม่เลยนะไม่เคยมีมาก่อนเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วหลักทำคําสอนอิสลามเนี่ยก็ไปดูซิว่าแล้วมูซาเนี่ยได้คำภีร์จากใครนบีมูซาคิดเองเหรอเปล่านาบีมูซาก็ได้คมภี์มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกัน และก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปุณูนหนรอเป็นแสงสว่างแสงสว่างกุังนะอ่าแสงสว่างก็คือที่ที่นำทางของเราให้รอดปลอดภัยผมเคยยกตัวอย่างเนาะพี่น้องเข้าบ้านและพี่น้องปิดไฟแล้วเดินเข้าบ้านโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเยอะไม่รู้อาจจะมีลูกฉันก็ได้ชอบเอาเข็มมาเล่นนะเอาตะปูมาเล่น เดินไปก็เหยียบแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟก่อนเข้าบ้านเปิดให้สว่างเลยเห็นหมดเลย ม, ตมออนนยีตรงนี้มีอ๋อนี่กิงจกตรงนี้มีนู่นมีนี่ปลอดภัยแล้วเป็นทางนำหรือแม้กระทั่งในทะเลเขาจะมีประภาคารประภาคารเนี่ย <c oughs> เพื่อจะส่งแสงบอกว่าตรงนี้มันเป็นแผ่นดินและ ม, มีมีหินโสโคกอยู่ไม่ให้เรือมาชนเพราะหมอไม่เห็นกลางคืนหมอไม่เห็นเลย เล่นไปปุ๊บไปชนหินอับปางเยอะมากเลยประพาคารที่ใหญ่โตมากอยู่นู่นอยู่หีบเมืองเอสแอสนเดรียอดิสเซียสร้างขึ้นมาปั๊บนี่ช่วยเหลือเรือที่เข้ามาเกยตื้นได้เพียบเลยเพราะมีแสงบอกเตือนนั้นแสงสว่างเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากกุรานเป็นนูรเป็นแสงสว่างเป็นทางนำวะฮูดาและก็เป็นคำแนะนาด้วยฮูดาก็หมายถึงคำนำคำแนะนา ตาจารุนาหูกรอตีสตูบาดูนาฮาวตุฟูนาคาซีรอซึ่งพระเจ้าเนี่ยได้บันทึกมันไว้ในกระดาษแน่นอนว่าสมัยก่อนวิธีการเก็บรักษาอย่างหนึ่งมีสองอย่างหนึ่งจำจำนี่ก็คือการรักษาอย่างหนึ่งนะใช่ไหมการจำนี่คือการรักษาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราจำไม่ได้ทำยังไงก็จดสิบันทึก บันทึกก็เป็นการรักษาอย่างหนึง่งแต่ระหว่างการบันทึกกับการจําเนี่ยอิสลามให้ความสําคัญเรื่องของการจดจำนะอ่าจจําเพราะว่าบันทึกเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดได้แต่ถ้าจําเนี่ยหลายๆคนจําพร้อมๆกันโอกาสพลาดนั้นกุไอ่านเวลาที่ก็จะเอาออกมาให้พี่น้องอ่านเนี่ยเขามีการตรวจทานโดยคนที่อ่านท่องจำํำเขาอ่านทั้งหมดเลยเขาจะดูมีผิดไหมแล้วก็ปั๊มตาจะมีตาปั๊มขลังทั้งหมดแปลว่าผ่านการตรวจทานจากคนที่จำนะอ้าวต่อมา ว่าตุ้ฟูในะกาซีรอและมีทั้งเปิดเผยก็มีและก็ปิดเอาไว้นั้นคัมนภะีร์ณปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตารอนอินจีนเนี่ยไม่มีแบบสมบูรณ์แล้วนะปัจจุบันนี้คัมภีร์เหล่านี้ไม่มีแบบฉบับไหนที่สมบูรณ์แล้วมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีคัมภีร์เดียวที่ยังสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมก็คือกุรานยังใช้ภาษาเดิมเดิมเดิมเลยที่ที่อะไรครับที่ดับบีได้ อ่านออกมาก็าเป็นกุฎาอ่านก็เป็นภาษาลำแต่คำพีเดี๋ยวนี้คำพีสมัยโบราณนี่กลายเป็นแปลเป็นภาษาหมดแล้วนั้นไม่ต้องไปศึกษาอันอื่นหรอกศึกษากุฎอ่านนี่แหละสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะอื่นมันมีการเปลี่ยนแปลงนะเอาต่อมาว่าอุลลิมตุมมาลามตาลำมูอันตุมว่าลบะอุกุมและพระเจ้าถูกสอนในกุอานใช้คาว่าอุลลิม แปลว่าถูกสอนเพราะว่าความรู้เนี่ยเราคิดเองไม่ได้ศา ส, สนานี่เรามานั่งจินตนาการคิดเองไม่ได้เราถูกสอนมาถูกไหมที่เราละหมาดเป็นเนี่ยเราคิดเองเหรอป้าถูกสอนมาครูเป็นคนสอนเรามาหรือจะอ่านในหนังสือมาก็ว่ากันไปเพราะมนุษย์เราเนี่ยซ้อนเดิมของมันก็คือพื้นฐานเดิมก็คือไม่มีความรู้อะไรเลยสตาร์ทเท่ากันหมดและก็ถูกสอน ให้เรียนรู้จากการสังเกตจดจำเด็กเนี่ยจะใช้การจดจำมากกว่าคำพูดไปดูได้เด็กทารกเด็กเอเมทารกเด็กที่ประมาณสักขวบสองขวบเนี่ยจะดูพฤติกรรมของพ่อแม่เป็นหลักลูกฉันนี่ถูบ้านเป็นหมดแล้วนะถูช่วยหมดลเมื่อาวานก่อนปั่นพริกเอเล่นของเล่นปั่นพริกโดยสังเกตการปั่นพริกของแม่ เล่นอะไรก็แล้วแต่จ ะ, จ, จะใช้จากการจดจำไม่ได้สอนหรอกมองเขาสังเกตแล้วก็จะจำส่วนถ้าโตขึ้นมาอีกนิดนึงใช้การพูดการสอนแต่อะไรที่มันฝังหัวมาที่สุดคือการจดจำจากการเห็นประสบการณ์ใช้ประสบการณ์ด้วยลำต้าเลมูอันตุ่มวะอาบาอุกุมซึ่ง ถูกสอนให้แก่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของเจ้ามิมิได้รู้มาก่อนที่บรรพบุรุ ษ, ษเอามาถ่ายทอดให้เราเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนเราใ น, นเหลมตอนแรกนะ่ะถามไอค้ครูเราที่มาสอนเราเนี่ยตอนแรกมันรู้มาเลยเปล่าป่ามันก็ไม่รู้เหมือนเมืนเรานี่แหละ <laughs> เขาก็ไปเรียนมาถ่ายทอดมาเรื่อยเรื่อยแต่ต้นที่มาทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อ่าอัลลอฮ์ประทานวะฮีให้นบีมอมห์นบี ม, อ, บม อ, กบอก็บอาบอกซอบะไหลความรู้มาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมาถึงเรา จงกล่าวเถิดมฮัมมัดนะกูริลลจงกล่าวเถิดว่าผู้ประทานความรู้ทั้งหมดก็คืออัลลอ์นั่นเองก็คืออัลลอ์อัลลอ์เป็นผู้ประทานความรู้ทั้งหมดเลยแสงสว่างขุดาทางนำทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์นะมนุษย์เป็นเพียงแค่ผู้ถ่ายทอดสาร เท่านั้นแหละนบีโมมัยก็เช่นเดียวกันเนะราซูนเนี่ยผู้รับสารนนะจนก็ค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้มาให้พวกเราแต่ความรู้ต้องกลับไปถึงใครไปถึงอัลลอ์ทั้งหมดเลยซุมมาซัรุฮุมฟีเข้าดีฮิมยะลาบุนแล้วจะปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิภาควิจารณ์และก็จงปล่อยให้พวกเขาสนุกสนานกันไปในการวิาพา์วิจารณ์ของพวกเขาต่อไป เล่นเนเอาบทบัญญัติของศาสนามาเล่นมีมีหลายหายคนที่ไม่เชื่อไม่พอนะยังเอาหลักทำคําสอนของอิสลามเนี่ยมาล้อเลียนออาเอามาล้อเลียนเรื่องกินหมูเรื่องแต่งงานมากกว่าหนึ่งเอามาล้อเลียนต่างๆเอาเรื่องเข้ามาล้อเลียนให้รู้ทั้งหมดนะที่เป็นความรู้ศาสนานี่มาจะเอาล้อถ้าท่านล้อเลียนความรู้ศาสนาท่านก็ล้อเลียนคนที่ให้ความรู้พูดที่ให้ความรู้คืออัลลอฮ์ไงเห็นไหม ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสมมุติเราไปไปล้อเรียนอย่างอื่นอ่าเช่นเขาทาอาชีพขายขนมแล้วไปล้อเรียนอ่ามันก็เป็นการบินประมาทคนคนนั้นไปแต่ถ้าไปล้อเรียนกับศาสนานี่ท่านกำลังล้อเรียนเอาล้อเลยนี่เรื่องใหญ่นะแอนั้นถึงขั้นมุรตะนะครับถึงขั้นมุรตัรรตตกศาสนาเลยนะใครเอาเรื่องศาสนามาล้อเล่นล้อเรีย น, ยนพูดในทางเสีย ห, หายสอดเออเสียดสีกันอันนี้อันตรายมากเพราะความรู้ทั้งหมดกลับไปที่เอาล้อ ต่อมาวาฮาดกตาบุญ ah นี่คือคำพีที่เราได้ประทานลงมาอ่าคุรานวาฮากิตาบุญก็คืออัลกุรานแล้วไงต่อมูบารอกุนมูซัดดิกุลลดีบนยไดนี่คือคำพีที่เราได้ประทานลงมา อันเป็นคัมภีร์ที่มีความจําเริญที่จะยืนยันสิ่งที่อยู่ก่อนคัมภีร์นี้ก็คือเรื่องราวของบรรดานับีต่างๆในกุฎานเนี่ยมีทั้งกล่าวถึงเรื่องที่เป็นอดีตมาแล้วนะเรื่องอดีตมาแล้วมีไหมโอ้เยอะเลยสิอบดบีต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆก็มายืนยันว่าแน่นอนว่ากุฎานของจริงเพราะพูดถึงของที่เกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เราตรวจสอบได้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วและอีกอันนึงก็คือพูดถึงอนาคต อนาคตที่เราตรวจไม่ได้รอวันเวลาถึงว่าจะเกิดขึ้นและเพื่อให้เจ้าใช้เป็นข้อตักเตือนแก่คนในหัวเมืองไหนหัวเมืองคืออะไรอุมมุนกุรอครับอุมมุนกุรอก็คือเมืองอะไรรู้ไหมหัวเมืองคือเมืองอะไรอุมมุนกุรอคือเมืองมักกะเนะ่ะมักกะคืออุมมุนกุรอครับคือเมืองที่เป็นหัวเมืองของทั้งโลกนี้ จุดศูนย์กลางของโลกนี้ที่เป็นเมืองที่เราจะต้องมุ่งไปก็คือมักกะอ้ามุ่งไปทําอะไรล่ะทําพัดไงวาจิบทุกคนฟัดดูทุกคนเมื่อมีความสามารถทําไมไปดาพัดบาปอันนั้นเอาล็อสั่งเลยนะจะคุณจะไปกี่เมืองจะไปปารีสจะไปอิตาลีไปเวลไปไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ไปมักกะไม่ไปทำไ ม, ไม่ทำพัดและมีมีสตังมีความสามารถ ถือว่าทิ้งลูกคนอิสลามข้อสุดท้ายนะและแน่นอนเนี่ยการที่อัลลอฮ์ให้ศาสนาลงที่มะ ก, กาเนี่ยจุดแรกเลยเครันบีก่อนที่จะย้ายม า, มาดีนะอยู่มะ ก, กาก่อนเพราะทุกคนต่างเดินทางไปที่นั่นเพราะการเดินทางนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยนบีบรอฮีมแล้วนั้นคนที่เจอศาสนารรเยอะแยะเลยไปเจอที่ไหนไปเจอที่มะ ก, กาเออเขาก็ชี้กันไปว่าไปมะ ก, กานะไปเรียนหนังสือไปเจอศาสนาธรรมที่นั่น ก็เป็นจุดศูนย์กลางว่ามั่นฮาละหาหลังจากนั้นก็ขยายไปที่รอบต่างๆรอบเมืองต่างๆไปมา ด, ดินาไปยัสริปไปว่ า, ากันอ่ยัสทกมาดีนลไปต่ออีฟแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแต่เริ่มต้นจากที่อุมมุนกุรอก็คือมักกะว่าแลดีนายุมีนูนบิแบบิลเอาครอติยุมีนูนบิ และบรรดาผู้ที่ศรัท ธ, ธาต่อวันบริโรกนั้นเขาย่อมศรัท ธ, ธาต่อคัมภีร์นี้แยกกันไม่ได้นะใครศรัท ธ, ธาว่าเกิดวันเกียร์มันก็ต้องศรัท ธ, ธาต่อกุฎีอ่านเพราะที่มาของความเชื่อเรื่องของการศรัท ธ, ธาในเรื่องโลกหน้ามาจากในกุฎีอ่านไงมันมั น, มนอสอดคล้องกันเอาต่อมาขณะเดียวกันพวกเขาก็รักษาละหมาดของพวกเขานี่วะฮุมอัลเาะอลาตีหิมยูฮาฟีรูนเขาก็จะรักษา ละหมาดของเขาไว้ตลอดนะครับทําการละหมาดตลอดนะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการที่เราจะไม่ห่างไกลศาสนาคือการละหมาดฟั ด, ดูห้าเวลาดงนั้นคนละหมาดไม่ละหมาดดีนะโอกาสที่จะเข้าใกล้ศาสนายากมากเพราะว่าแค่ละหมาดนี้ยังไม่เอาเลยนะจะไปหาอะไรนะก็ะนั้นเรื่องละหมาดจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะได้ทบทวนระหว่างเรากับลอมีฮะดิษบที่หนึ่งสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเข้าอ่านต่อนะ ว่าตีตู้คอมซันลำยะต่อหุนหน้าอาหาดุนมินอัมเบียอีกเกาะกอบรีฉันได้รับห้าข้อที่ไม่เคยมีคนใดจากบรรดานาบีก่อนหน้านี้เคยได้รับมาก่อนหนึ่งในนั้นคืออะไรว่าแกน น, นับียุบะอัสูอีลแลเกามีฮีคอสตันนบีก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกส่งลงมากับกลุ่มชนเฉพาะไม่มีการข้ามไปกลุ่มชนอื่น บนันิสรออีนก็อยู่แค่บนันิสรออีนไม่ไปข้ามสุลูนอยู่แค่นี้แต่นบีมูฮัมหมัดวะบูอิสตูอีเลนเนศีอา ม, มแต่นบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยเป็นนบีทุกกลุ่มชนเลยแอฟริกาจะเป็นหัวสีแดงสีทองสีดำหัวแดงหัวอะไรผิวสีไหนทั้งหมดก็คือเป็นนบีของทุกกลุ่มชนนะทั้งจินแล้วก็มนุษย์ทั้งหมดนะครับ นี่คือความแตกต่างของนบีมูฮัมมัดกับนบีท่านอื่นๆหนึงในห้าข้ออ่ะจบแล้วนะอ่านต่อ93 94ว่ามันอัลละมูมีมานิฟต์ตาราะลลอฮฺกันบดีบะ أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء أو قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ومن قال سوى ظلم ละมันซาลาอรอบนะว่าม <of pes> <ib> hey, ันว่ามกาลสซอุลมิ ละมั่นกับละลอฟีกอมอติ้นเมาใช่ไหมกอมอนะ و ่าเ ر ว ا รไพร ا ل ผู้ผิด م าปในความิดแหม อัลมาเลอีกตุบาสิทูอ้าดีหิมอักริจูอ้าฟุสะคุม ا ل ย و ม تجزون ع ذ น ب ا ل อาบัลฮุนีบีมา و ุณทุ่มตะคุลูนั่อลลรัก วันกุณตุมอันอายตีที่ตัสตักบิรุณ ลก็จตมฟรดกมาขอแล้วก็นาคุมเอาเวลามารอเวลาก็ตนาฟูรอดะกามาขอแล้วก็นาคุมอาววตร รมเขวัน <mm ักุมว่าร่าจูิุมอีกรอบนึงนะ มาเข้าวลเข้าวลนะตัวคอเข้าไปที่ตัววาวอ่านเข้าเข้าเข้าวลนะว่าตรักตุมมาเข้าวัลนะกุมวรอะจูฮูริกุม วَามันร่ามาคุมชูฟะอาคุมุลที่น่าจะอัมตุมวَ่มَนร่ามาอุอันตัวนะอัมตุมรอบหนึ่ง و َ م َ ا ن َ ر َ م ักุมชุฟะะะะะะะะ م ะะะะะะะะะَะะะะ الذي الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. لقد لقد ตัดกัตต์ต่อไปในคุมว่าดัลเลอคุมแ ت ُ م ْ ت َ ز ม ع ُ م ُ و ن َ ก็ตัดก็ต่อไป ض นคุ้มว่าดั่งคุ้มม้วุ่มจอม อมาดูความหมายนะครับวามันอัลละมูมิมมานิฟตาร์อัลลอฮิแกดีเบะและใครเล่าอาลัลลอฮ์ถามนะใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งกว่าอาธรรมตรงนี้ก็หมายถึงทำผิดทำบาปนะอาธรรมก็คือจอเลมจอเลมก็หมายถึงไปทำบาปมาเลยครับไปอาธรรม ยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จต่อหล่อการที่เราจะกล่าวว่าร้ายหรือกล่าวโกหกนะถ้าเราโกหกกับมนุษย์โดยทั่วไปก็เป็นบาปแล้วคือเรียกการใส่ร้ายนะไปบอกวันนี้เขามาว่าคนนั้นนี่ น, น, นีแต่นี่เขาไม่ได้พูดเลยเลยนี่ยใส่ร้ายใส่ร้ายนี่ก็เป็นบาปใหญ่แต่ถ้าเกิดสมมติไปโกหกกับนบี แปลว่าอะไรแปลว่าไปกุหดิษขึ้นมาและบอกวันนี้เป็นฮดิษนบีอันนี้หนักเลยอันนี้อัลลอฮ์บอกไว้ในฮดิษบอกว่าเตรียมอัลลอฮ์เตรียมที่นั่งเอาไว้เป็นที่นั่งวีไพฟินนาร์ตอยู่ในนรกเป็นที่นั่งอยู่ในนรกจองที่นั่งกันแล้วนะเป็นที่นั่งพิเศษฟัลญะตาบาวะมะกรานันมะกรานันนาร์มะกราน์า ก, าก็หมายถึงที่นั่งในนรกฟินนาร์เตรียมที่นั่งเอาไว้แล้ว คนที่โกหกโดยที่ไม่ใช่เป็นคําพูดนบีแล้วเอามาพูดะเพราะว่าแน่นอนแหละถ้าเกิดพูดคําพูดตัวเองเนี่มันไม่น่าเชื่อถือทอํายังไงให้น่าเชื่อถืออ้างนาบีเลยนบีไม่รู้เรื่องโกหกใส่นบีแล้วนบีจะมาแก้ไงังไงแก่ตัวไงนบีว่าฝาดไปแล้วเสียไปแล้วก็ต้องใช้คนที่เป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ช่วยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นฮัตติสบอม นะแต่ว่าอัมดันนะครับในในฮะดิษบอกใช้คาว่าอัมดันใครโกหกใส่ฉันโดยเจตนาคขาว่าเจตนาหมายถึงว่ารู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกแต่ยังบอกต่อแต่ถ้าไม่รู้โอ้โหฉันก็เห็นว่าเขาส่งมาแหมนึกว่าใช้ได้เลยก็เลยส่งต่อไปนั่นแหละอันนั้นไม่ถึงขั้นตกนรกแต่ต้องเช็กแต่โดนข้อหาไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อน อ่าชัวก่อนแชร์ครับเด็กต้องแชร์ต้องชัวก่อนถึงจะแชร์ไปได้อันนี้เป็นบาปที่ไปนิ้วเลยนะพี่น้องนะเพอเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ไงจะแชร์อะไรต้องนึกใหดีต่อมาเลทที่สุดเลยก็คือการโกหกใส่อัลลอฮ์เลยการพูดจะโกหกเก่าอัลลอฮ์ไปอุปโลกขึ้นมาว่า AH อัลลอฮ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งทังที่ไม่ได้เป็นเลย เดี๋ยวดูนะเรื่องอะไรหรือกล่าวว่าได้ถูกประทานมันแก่ฉันนี่ไงไปบอกว่ากุรานเนี่ยถูกประทานให้แก่ฉันอายันี้เนี่ยพี่น้องครับอิกรีมา ก, กตาดาบอกว่าถูกประทานเกี่ยวกับชื่อคนหนึ่งชื่อว่ามูไซลมามะอัลกัซแบมูัยลมามะกัซแบคนนี้กัซแบตรงคนนี้เป็นจอมโกหกปัญพวนเลยเพราะ ไอ้นี่บอกว่าวะฮีเนี่ยลงที่ตัวเองด้วยไม่ใช่ทำมุฮัมมัดอย่างเดียวนะฉันก็ได้วะฮีด้วยประกาศตนเป็นรอซูลเกิดมาตั้งแต่สมัยนบีแล้วสุดท้ายนาบีก็สั่งให้ไปจัดการสุดท้ายโดนตัดคอนะคนที่ตัดคอก็คือวาชีคนที่ขว้างคนที่ขว้างหอกใส่ท่านฮามซาตอนหลังวาชีมารับอิสลาม ก็สร้างคุณประโยชน์วาชีเนี่ยกล่าวกับตัวเองบอกว่าฉันเนี่ยเคยฆ่าคนที่นบีรักมากที่สุดก็คือฮัมซาเป็นลุงนบีเป็นที่รักของนบีมากนบีเสียใจมากแล้วก็ฉันก็เคยฆ่าคนที่สร้างความปนป่วนให้โลกอิสลามมากที่สุดก็คือไอ้มูไซลมักันซับนี่แต่มันเป็นคนละพารกันก่อนหน้านี้ เป็นคนที่ยังไม่ได้ศรัทธาต่อหล่อพอศรัทธาต่อหลอกก็ทําความดีลบล้างไอ้สิ่งที่ผิดพลาดเห็นไหมอวาวชีนี่เป็นมุสลิมนะคะเป็นผู้ศรัทธานะเป็นซอ บ, าาบ้านนบีมุสลามักกะซับส่วนหนึ่งที่ได้รับความน่าเชื่อถือหนึ่งมีโวหารในการพูดอันที่สองมีอิทธิฤทธิ์ด้วยอ่าถ้าเป็นนบีก็เป็นโมฮิญซาใช่ไหมแต่อันนี้มัมีอิทธิฤทธิ์ด้วยนะมันสร้าง มันไม่รู้จะทำยังไงเลยนะใช้ยินใช้ใดแหละสร้างอะไรที่เป็นอิทธิฤทธิ์ลอยตัวได้เดินบนน้ําได้ประมาณนี้คือพวกนี้มันจะมีอิทธิฤทธิ์แม้กระทั่งไอ้ตัวหนึ่งที่จอมโกโหกเลยนะที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆวันที่亚马ทก็คือดัจญานีมีอิทธิฤทธิ์เยอะนะเป็นเรื่องนะไปอยู่กับมันนี่เสร็จเลยมันแสดงอิทธิฤทธิ์ปั๊บเดียวเราศรัทธาเลยแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาจะเห็นกาเฟตอยู่ตรงหน้าผากมันคนไม่คนที่ไม่ศรัทธาต่อรอดไม่เห็น อ่านั้นอไอเรื่องพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์เพื่อจะให้เรามั่นใจนะให้เราอยาเกินต่ออัลลอฮ์ก็เลยมีการทดสอบ <c oughs> ทั้งที่ไม่ได้ถูกประทานให้เป็นอายะแก่เขาว่ามันกอลซสอุนซิลูมิสลมาอันซาลลอห์นะดังนั้น หลังจากนาบีมูฮัมมัดไปแล้วนี่ไม่มีแล้วนะใครอ้างตนเป็นนบีได้รับวาฮีเนี่ยถ้าเป็นในในประเทศอิสลามนะสมมติมีคนนหนึ่งบอกว่าเนี่ยวะฮีมาให้ฉันมีฉันได้รับวาฮีนะแป๊บเดียวดาบลงคอเลยประหารอย่างเดียวนะเพราะถือว่าตกศาสนาและสร้างความปั่นป่วนด้วยและปล่อยไว้นี่มีคนเชื่อนะไม่ต้องไม่ไม่จะทาเป็นเล่นนะคนงงงเนี่ยมันเยอะ <laughs> ดูดิ <laughs> เด็กกี่ขวบแปเก้าขวบเนี่ย คนเชื่อเต็มเลยอย่าเดี๋ยวเขาฟ้องอย่าไปเอ่ยมันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี่เราเขาจะผมเคยบอกได้ไหม น, บ, นบีเราเนี่ยได้รับวาฮีตอนสี่สิบทำไมไม่ให้นบีสแสดงสแสดงวาฮีตอนตอนสังอายุแปดขวบละ่ะไม่ได้เพราะจะถูกถูกถูกบอกทันทีว่าเป็นเด็กนั้นนบีเราเนี่ยทุกนบีนะจะได้รับวาฮีอยู่ระหว่าง3าสิถึงี่ิบ อยู่ประมาณนี้คือเป็นเป็นวัยที่สูงงอมแลว้วและก็ถ้าอายุมากกว่านี้ก็ไม่ได้ ถ, 60, 70, ถ้าพูดต่หกสิบเจก็ถูกมองว่างอมแลว้วเดี๋ยวเหลือนเนี่ยคือวัยที่เหมาะสมในการที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรอดูตสามสิบสี่สิบนะวัยเด็กก็เป็นเด็กสิแล้วเป็นเด็กไปนะเอาต่อมาวาลัลเวตารออดิ้นซาลิมูนฟีกกอมาอรอติลมาอู และผู้ดีกล่าวว่าฉันจะลงมาฉันจะให้ลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่อัลลอ์ให้ลงมาและหากเจ้าได้เห็นและหากเจ้าได้เห็นขนาดที่ผู้อาธรรมอยู่ในภาวะใกล้จะตาย ตารออีดิสอริมูเนฟีกมอรอติน้นเมากรมารอติน้นเมาก็กําลังจะถูกดึงวิญญาณออกวลมาเลอิกุอิกาตุบาสิตูไอดีหิมจะมีมาลิกะเนี่ยแบมือของพวกเขาแบมือเนี่ยทีาบา่บายตัปซีบอกว่าทุบมาลิกะทุบ เพราะวิญญาณมันไม่อยากออกทำไมไม่อยากออกล่ะก็มันรู้นี่ถ้าออกไปไปเจออะไรมาลิก้าเลยต้องทุบทุบให้วิญญาณมันออกจากร่างแล้วกระชากออกมาดินทุรนทุรายทรมานเพราะวิญญาณไม่อยากออกแต่ถ้าคนดีเชิญออกมาวิญญาณก็จะออกมาอย่างง่ายได้แต่เราไม่เห็นนะ อาล่บอกตารออิตาราถ้าเห็นเนี่นะโอ้โหพวกเรานี่ยเขาเรียกว่ายัางสลดเลยแหละดินด้นดิ้นนะดิ้นดิ้นจะใจใจไม่ออกนะอ๋อคือทั้งหมดทั้งมวลนะสมุดทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นเนี่ยตาที่เราเห็นดิน้นดินมันอาจจะไม่ได้เกิดจากบาริกาทุบ ก็ได้อาจจะเกิดจากหายใจไม่ออกติดคอมก็ดิ้นอยู่แล้วแหละเอ่าคอไม่มีอะไรติดคอแล้วนั่งยิ้มติดคอไม่มีหรอมึง๊ง <c oughs> ได้ไหมหายใจไม่ออกมันก็ทรมานคือตายยังไงทรมานหมดแล้วแต่ว่าไอ้ที่เรามองไม่เห็นคือมาริกาทุบอันนี้มองไม่เห็นแต่แน่นอนสําหรับคนที่ไม่ใช่คนดีอ่าเพราะในในกุณอานอธิบายต่อว่าที่ต้องทุบเพราะว่าวิญญาณไม่อยากออกไม่อยากออกก็ทุบทุบเพื่อมันออกมา นั้นตรงเนี้ยมันเป็นอินมุลเกฟเรามไม่เห็นหรอกแต่ล้อบอกไงมาริกาจะแบมือและกล่าวว่าจงให้ชีวิตของเจ้าออกมาไอ้คำว่าแบมือนี่ทุบนะทุบทุแล้วก็ออกมาในกุรอ่านมีบอกและอินบาซบาซต์ตอีเลียยายายาแดกัฟีตตูลนีจำได้ไหมเอ่อหาอะไรนะหาอะไรนลูกนาบีนัว ใครนะสองคนก็ชื่ออะไรลูกนาบีนู์อะสองคนฮาบินกอบินกับฮาบินเออนบีอดดำเห็นไหมไปหมดแล้วสมองเนี่ยถามไม่ถูกไอ้มั่วเลยเรื่องนั้นลูกนาบียดำกอบินกับฮาบินหากท่านยื่นมือของท่านมาเพื่อจะฆ่าฉันยื่นมือแปลว่าอะไรทุบไงเพราะก็ก็ใช้หินทุบหัว คำว่ายื่นมือตรงนี้มันจะยื่นมือมาแล้วก็เฉยๆยื่นมือมาทุบคําว่าบาซาตต์บาซัตต์อิไลเอไดกาเนี่ยกูรังก็เลยเทียบว่าคำว่ายื่นมือที่มันกายื่นมือตรงนี้ก็หมายถึงยื่นมือมาทุบแล้วก็กระชากวิญญาณออกอนี่คือความหมายนะเอาต่อมาวันนี้พระเจ้าจะได้รับการตอบแทนความชั่วนะความแทนความชั่วซึ่งการลงโทษอันต่ําต้อย อาแล้วบัลฮูนี่มีมาคุณตุมตะกูลูนาและลอฮิโอยรัลฮักเนื่องจากอะไรที่พวกเจ้านั้นได้กล่าวร้ายต่อลอโดยปัสจากความจริงอืมวกุณตุมอันออยาที่ฮีตัสตักบิรูนและเนื่องจากพวกเจ้ายโสยโสโอหังต่อสัญญาณของลออ่ะอายะที่เก้าสิบสี่ ว่าเก imagine, ็ยิตูมูตูมูนาฟูรอดาอายันี้คุณนะพ่ออาจารย์บิดินยกบ่อยเนี่ยอายันนี้คุณดินจะยกบ่อยมากว่าเราก็จยิตูมูนาฟูรอดาเนี่ยแปลว่าอะไรแน่นอนเราพวกเจ้าจะได้มาโดยฟูรอดาฟูรอดาผมเมื่อก่อนนะไปทําฮัตมันจะมีฮุดยัดพวกเรียกพวกฟูรอดา ฟรดาคือพวกไม่ขึ้นกระแซ่ไม่ต้องลงทะวงทะเบียนเลยเลยอยู่ดีเก็บกระเป๋าไปกับสถานทูดปุ๊บไปถึงเลยคดีฟรอดาไม่อยู่ในทะเบียนเนี่ยฟรดาก็หมายถึงมาคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปลงทะบงทะเบียนแต่นี่หมายถึงอะไรหมายถึงวันกียร์มาเนี่ยมาแบบไม่มีพักพวกเลยมาตัวคนเดียวเลยอย่างว่าเราเราไปทำฮัทนี่ยเราต้องมีแซ่ไม่แซ่เพื่อที่จะให้การดูแล แนแต่ฟูรอดานี่เขาไม่ขึ้นตรงกับใครเลยเขามาเป็นแขกรับเชิญโดยบินตรงมาว่าเราก็ยิ้ตูมูนาฟูรอดาและแน่นอนพวกเจ้าจะได้มามาในวันกียรติ์แบบลำพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรกแล้ว เ, เกิดมานี่ก็ไม่ได้มีคนมารับใช้ตามมาด้วยนะม า, ม, า, ม, า, ม, ามีตอนโตนะเกิดมานี่เหมือนกันหมดมาตัวเปล่าเหล่าเปือยนะครับ ผูรอดามาแบบไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแล้วเวลากลับไปล่ะมีอะไรติดตัวไหมไม่มีเหมือนกันหมอนอยังไปไม่ได้เลยมีคนถามอาจารย์อยากจะเอาหมอนให้มะฉันด้วยอะได้ไหมไม่มีหมอนดินอุตสาเตรียมหมอนมาอย่างดีเลยอย่างนุ่มหมอนใบละสองพันกว่าบาทอาจารย์ทำเป็นไม่ดึงออกได้ไหมอะเออฉันบอกว่าไม่ได้ต้องเอาออกมาเพราะว่าการที่ใส่หมอนใบละสองพันไปเนี่ยถือว่าเป็นการทาให้เสียทรัพย์ หมอนดีๆต้องให้คนเป็นนอนอย่าให้คนตายนอนคนตายนอนหมอนดิน <c oughs> เออไว้ได้แต่ไม่มีอะไรติดตัวไปในในโลกมีผ้าขาวแค่นั้นแหละมีผ้ากระฟันนะเอา้าฟูรอดา้ามาแบบไม่มีอะไรเลยลำพังตอนตายก็เหมือนกันไปแบบลำพังเหมือนกันและพระเจ้าจะได้ทิ้งสิ่งที่เราได้ให้แก่พระเจ้าไว้เบื้องหลังของพระเจ้าก็ทิ้งเอาไปหมดเลยนะ เลือกสวนได้นาะจะมีกี่ร้อยไร่ที่หากันมาได้ก็กลายเป็นมรดกหมดไม่ได้มีใส่ลงไปสักกะบาดหนึง่งนะและเราไม่เห็นอยู่กับพระเจ้าบรรดาผู้ที่ช่วยเหลือพระเจ้ามีไหมที่ไปขอตอนสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมาช่วยไหมไม่มีเลยตามที่พระเจ้าได้อ้างว่าไอ้นั้นมันศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่มันศักดิ์สิทธิ์ไปขอไอ้นั่นไปขอไอ้นี่มันตามมาด้วยไหมไม่มีเลยพวกเขาเป็นผู้ที่มีหุ้นส่วนกับพระเจ้า หมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นอุปโลกขึ้นนะนะเป็นพระเจ้าจอมปลอมเนะี่ยแน่นอนได้ขาดเป็นสิ่งเสียงแล้วระหว่างพวกเจ้าไอ้สิ่งที่เขานับถืออยู่เนี่ยมันขาดเป็นสิ่งเสียงแล้วเพราะมันของของปลอมหมดเลยและสิ่งที่โบเจ้าอ้างก็ได้หายไปทั้งหมดนะครับมาดูหะดิษนบีสักสองบทได้ไหมฮะดิษนบีปรากฏไว้หนึ่งโเฮีย ยาูโลอิบโนอาดามาลีมาลีลูกหลานอาดัมมักจะกล่าวว่าทรัพย์ของฉันทรัพย์ของฉันวาฮัลละกามินมาลิกาอิลลาอักันตาทั้งในความจริงแล้วเนี่ยไม่มีทรัพย์ใดๆเป็นของท่านเลยนอกจากสิ่งที่ท่านกินเข้าไปแล้วมันก็ได้ย่อยสลายหรือสิ่งที่ท่านใส่แล้วมันขาดวิ่นนะว่ามา เอาแต่ดักต่ฟอ้ำด้แต่หรือสิ่งที่ท่านบริจาคไปและทาและท่านก็ให้มันไปบริจาคอยู่ที่เรานะว่าม้ซีวาเดลีกาฟาเดฮิบุนวะตตาริกูฮุลินนาสนอกจากที่กล่าวมาหายไปหมดและทิ้งไว้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหายไปหมดเลยแล้วก็ทิ้งไว้เป็นทรัพย์เป็นมรดกให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังอาซันบัสตีบอกว่า ตุตาบิอิบเนอาดัมเยาม้ามนกิยามะกาอันเนบะจาจุนในวันกิยามะเนี่ยมนุษย์จะถูกนํามาในสภาพเหมือนกับลูกแกะตัวน้อยๆและอัลลอฮฺผู้ทรงเดชานุภาพก็ถามว่าสิ่งที่เจ้าสะสมสะสมไว้อยู่ที่ไหนเขาตอบว่าโอ้พระปู้วยบพงของฉันฉันได้สะสมมันไว้และได้ทิ้งมันอย่างมากมายทิ้งไว้ไหนอะทิ้งไว้ในดุนยาไงอ่าทิ้งทรับเอาไว้เป็นมรดก และพระองค์ถามต่อว่าโอ้มนุษย์เอ๋ยสิ่งที่ได้เจ้าทําไว้กับตัวของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไม่เห็นมีสิ่งใดทําเอาไว้เลยก็ไก็ไม่มีเลยไอที่ทําความดีไว้ไม่มีเลยนะท่านจัน์ก็ได้อ่านอายะกุรา น, นี้นะแล้วก็เดยิตูมูณาฟูรดาก็จบอายะนะอันนั้นไอของที่เก็บเก็บเอาไว้เนี่ยถ้าตายแล้วก็จากกับมันนะแต่อยากจะเก็บไว้ของเราก็บริจาคทอาอามันบริจาค นะครับโดยจากทรัพย์แล้วก็อาหมันของเราที่ทำเนี่ยแหละของเราเอาต่อมาครับอายะที่เก้าสิบห้าเก้าสิหกเก้าสิบเจอินนัลลอฮฺฟาลิกุลฮับบิวันน่าว ย خ ْรِ ج ุ الحيّ من الميت ومخرِجُ الميتِ من الحيّ ให้นี่อันสองคักเาเลยนะไม่ไม่ต้องไม่ต้องยาวให้ให้แค่นี้ไม่ให้ให้ไม่ยาวไม่ะมันแค่สองยุขริจุลให้ยามินัลไม่ติวมุขริจุลมัยติมินัลให้ แดลิขุมุลَฮَฟาอันนาทُุก ن َ แดลิคุมุล ف َหُฟ ن อันนِตุฟาคุ س ฟาลิคุลิสบะَีวะจัลลัลไลลَสَกนะอ ا พระจันทร์และดว س อาท ا ตย์ ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم วะฮุอัลล ع ل ل ที่จะ م ล่า ت ห้คุณหนุนจุมั ا ิِาเตดูบีฮะในดูลมัติลบริและอ่าว บาร์แล้วก็มีรัวรอบาร์มีตัวรอนิดดึงนะรออยู่ข้างหลังทาบ้ารีเลยนี่นะอันนี้ไม่ได้ยุดละ้ะกี่อันนี้อ่านเต็มเต็มครึ่งเสียงพอบาร์บาร์อืหวหัวลที่จะอาแล้วกูมนุนจูมัลิตะ จะดูบ ا ف า ظلمات ا ل ่บริเวณป่าร์ว่าหัวที่จะให้คุณดูดูมันจิ ظلم ا ี่บริเวณป่าร์ค ص ์ฟส ก็َัลนีลอายาติลิคَมียาเลามุนก็َ ا ลนีลอายาติลิ ي َมี ل َ م ُม ن َอ่ามาดูความหมาย ม, มใีใช่ใช่ใช่กีอ๋อกีบอกไม่แช่เอาใหม่ กอดฟ ل าสั่นนั่งอาญาติลิกาอุมียะเลมูนกอดฟ้าสَ ا นนั่งَาญาติลิกาอุมียะอัลฮัมดุลิละนะแท้จริงอัลลอฮ์อินนัลลอฮแปลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ฟะลิกุ ฮับบี้ฮาร์บาเนี่ยถ้าเขียนถ้าฮับแปลว่าเมล็ดถ้าฮุบแปลว่าความรักเขียนเหมือนกันนะถ้าใส่สลาผิดปับ๊บความหมายเปลี่ยนเลยถ้าใครไปอ่านฮุบปับ๊บยุ่งเลยนะฮุบนี่ไม่ได้แปลว่ า, เ ม, วาเมล็ดแปลว่าความรักฮุบฮับฮุบฮับอันนี้แปลว่าอันนี้ฮับแท้จริงอัลลอฮฺฟาลีฟาลิกุลฮับ บีวันนวาวาแท้จริงอ AH ัลลอฮ์ผู้ทรงให้มเมล็ดพืชแล ะ, มะเมล็ดอินทรพาลัมนาวาตรงนี้ก็เป็นมเมล็ดอินพาลัมเม็ดมันนะนะยุครียุลให้แล ะ, มะเมล็ดอินพาลัมเนี่ยมันจะปริออกปริออก ทรงให้นาวานี่แปลว่าไม่ได้พลัรามที่ปลี่ออกและก็ทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและผู้ทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกมาจากสิ่งที่มีชีวิตอธิบายต้องอธิบายแลย้วอะไรเนี่ยอะไรมีชีวิตไม่ออกมาจากมีชีวิต พืชที่มีชีวิตออกมาจากเมล็ดเมล็ดนี่ไม่มีชีวิตไงเมล็ดนี่มันตามันมีชีวิตที่ไหนมันไม่มีแต่พอเวลาไปหย่อนเอาไว้ในดินและเจอน้ำมันก็งอกออกมาก็ปลูกไงข้าวเนี่ยไม่ไม่มีะไรนะครับเปลือกจะไปไม่เก็บไว้ดิถ้าเก็บไว้ในยังดีไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลองเอาไปโปรยดูนะแล้วมีฝนตกปั๊บ กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาเลยพืชมีชีวิตนะคราว น, นี้อีอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแม่ไก่ออกไข่มาไข่ที่เรากินมันมีชีวิตไหมไม่มีหรอกไอ้ที่ทอดกินกันทุกวันเนี่ยแต่เวลาไก่มันออกมันก็ออกมาจากไข่ตรงนั้นแหละนคราวนี้เขาเรียกไข่ลมที่เราเอามากินเขาเรียกไข่ไขลม ไข่มันออกไข่มันออกไก่มันออกไข่อยู่แล้วถูกป่ะแล้วเก็บมาแต่ถ้าเกิดมันมีตัวผู้เข้ามาเกี่ยวพันธด้วยเนี่ยวันเมื่อวานเนี่ยโมเช้าโม่คืนเนี่ยดึกแล้วผมก็เลยค้นดูว่ามันเป็นผสมพันธุ์กันตอนไหนไก่เนี่ยผมก็ไม่เคยไปสังเกตดูนะมันบางทีเนี่ยอ่านกูดอ่านปั๊บเดี๋ยวต้องไปดูแลผสมพันธุ์กันตอนไหนวะมันทับกันป่ะไข่มันจะมีไข่ที่มีเชื้อ กับไข่ลมไข่ลมนี่ไม่มีปัญหาเลยไข่ลมเรามากินเลยแต่ถ้าไข่มันมีเชื้อปับ๊บมันก็จะไม่เกิดนะจนกว่ามันจะมีตัวไปฟักถ้าไม่ฟักก็ไม่เกิดเออแปลกเหมือนกันเมืม่อไหร่ไก่ไข่มันก็จะเน่าไข่แจ้กมะก่อน์ฉันเชิญเจอเอาไข่เน่ามาเล่นกันโอ้โหยัยงเหม็นไข่ ข, ข้าวคืออะไรอ่ะ อ๋อก็อ เ, เอาไข่ลาดบนข้าวสิอร่อยคุกแล้วไหมไข่ที่เป็นลูกไก่เหรอกกหร อ, อหาสรรหากินแล้วเกินนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่รู้เรื่องเลยไข่ข้าวเกินเลย <c oughs> แต่มันมันน่ากินเหรอเออเห็นแล้วดูไงกันไม่รู้ แล้วไข่เนี่ยมันกินได้ไดไอ๋อมันตายยังอ่ะตายในไข่ดลใช่ไห ม, มนนอโอโ้โหนี่อันนี้มัสาลาใหม่เลยเนี่ย <c oughs> รู้รู้รู้รรรละเดี๋ยวขออนุาตไปค้นก่อนนี่เกินตำราของผม <c oughs> ตำราเรียงสู้ไม่ได้เลยเนี่ยกินได้ใช่ไหมไข่ไข่อะไรนะข้าวไข่ไข่ข้าว <c oughs> เดี๋ยวขอไปคุ้นก่อนนะคือมัสตาร์เนี่ยมันมีเรื่องของอะไรนะตัวอ่อนตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเนี่ยสมมุติไปทํากุรบัณบางมัสตาร์นี่ไม่ให้ทําตัวเมียเลยนะ<ส>เขาบอกว่าถ้าตัวเมียตัวเมียมันท้องเนี่ยเราเชือต์เนี่เขาหมาถ้าเชื้อดแม่เท่ากับเชือดลูกไมีปัญหาลูกที่อยู่ในท้องเอามากินได้สมมุติผ่าไปแล้วไปเจอลูกวัวอยู่ในท้องอ่ะแล้วมันตายจากการที่เราเชือตแม่มันเน่ยเชือดแม่เท่ากับเชือด ตัวอยู่ในท้องด้วยไม่เป็นซากสัตว์แต่ถ้าเกิดตอรวาที่มันเชื้อมันเกิดเบ่งออกมาวาบพอมันเบิงออกมาปับ๊บมันม า, ม, ามาหายใจในในในโลกแล้วอย่างนี้ต้องเชือดถ้ามันมาหายใจฟับฟับฟั บ, ฟบแล้วตายยังกินไม่ได้แต่ถ้ามันตายแต่ในท้องจากการที่เราเชื้อแม่ได้กินได้คราวนี้ไอ้ข้าวไข่ดิฉันไม่รู้เรื่องเลย <laughs> รู้แล้วแต่ฉันตั้องไปเทียบกับอะไรยังต้องไปนึกก่อนมันเทียบยังไงมันออกมาจะนับว่ามันมีชีวิตไหมแต่ฉันมองว่ามันไม่มีชีวิตในอยู่ในไข่มันยังไม่มีชีวิตหรอกมันต้องมันต้องวิ่งออกมาเดินถึงจะเชื่อดได้นั่นหมายถึงว่าเราตอกมันมามันก็ตายเล้วอยู่ในนั้นมันตายหรืออาจจะเปิดออกมามันวิ่งได้เปล่าไม่รู้นะถ้ามีชีวิตต้องเชื่อดหากินแล้วเกินนะหาอะไรกินแปลกเออ อาสลับกันนะไข่ไข่ที่ออกมาจากแม่ไก่ไอไข่ที่ออกมานี่ก็ไม่มีชีวิตแต่ออกมาจากที่มีชีวิตเออเว้เห็นไหมสลับกันหมดเลยนี่คืออัลลอฮ์ให้มีความพิเศษลองพี่พนาะดูสิแปลกไหมล่ะนี่คือกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้ไงกฎอลัลลอฮ์กำหนดกฎเอาไว้เป็นอย่างงี้อีกอันหนึ่งเขาบอกสลับกันได้นะอันนี้สลับกันได้นะ เด็กที่ดีเด็กที่ดีออกมาจากแม่ที่ชั่วได้ไหมไ ด, ได้เออไม่ใช่ว่าแม่ทุกคนุูดแม่นี่เป็นโสเภณีจะคลอดออกมาจะต้องเลวหมดไม่ใช่นะเด็กคนนี้อาจจะกลายเป็นเด็กซอแรกก็ได้เช่นเดียวกันคนชั่วก็ออกมาจากคนดีได้เราเนี่คนดีเลยโอ้โหแจ๋วเลยพอลูกออกมาเป็นขี้ยาเฉยอะไรวะมันมันขี้ยาได้ไงเนี่ย ก็เป็นไปได้มันมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเสมอไปพุทเราคลอดออกเราเป็นคนดีเราคลอดออกมาจะเป็นเด็กดีไม่ใช่มันอาจจะมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะอันนี้คืออายะกุดอานเนี่ยครอบคุมไปหมดเลยไก่กับไข่นี่สลับกันเลยนะไข่ออกมาจากที่มีชีวิตและไก่ก็ออกมาจากที่ไม่มีชีวิตออกมาจากไข่นะเห็นไหมแล้วก็รวมถึงมเมล็ดพืช ด, ด้วยอ่าต่อมา The ลิกะก ل มุลลอห์ฟาอันตะฟาูลนั่นแหละคืออัลลอฮ์นี่ไงคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำมนุษย์ทำไม่ได้หรอกแล้วอย่างไรเล่าที่พระเจ้าจะหันเหออกจากความจริงได้พิจารณาแค่นี้อายะนี้ก็จบแล้วใครล่ะจะทำให้เป็นระบบแบบนี้ได้ทำได้ไหมไอของที่มันตายไม่ได้มีชีวิตได้เนี่ยเหมือนมเมล็ดพืชทีท่เอามาวานกันต่อมา96 เดี๋ยวช่วยแปลให้นฟังหน่อยฟารีกุนอิสบัตอันนี้ในข้แปลนะแม้กระทั่งทัพซีดของอาจารย์บระจงเนี่ยโซมันีที่เขาอ่านน่ภาษาไทยเขาใช้คำว่าผู้ทรงเผยอรุโนไทภาษาไทยฟังรู้เรื่องไหมผู้ทรงเผยอรุโนไทฟาริกุ น, นอิสบัตเดี๋ยวผมแปลให้ฟัง ว่าจะละล่ละสักนาวชัมสวัลกมามรอฮุสบานาผู้ทรงเผยอรุโนไทและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เกิดการคำนวณอรุโนไทก็หมายถึงแสงตอนเช้าอะแสงแรก ซึ่งแสงเช้านี่นะเป็นแสงที่มีประโยชน์มากสร้างอะไรวิตามินเด็กที่ตัวเหลืองให้เอาไปอาบแดดไม่ใช่เอาไปส่งโรงพยาบาลเอ้อะอะไรไปส่งโรงพยาบาลหมดหมอมก็ได้ตังค์ไปเข้าตู้อบเอาไปเข้าตู้อบเสียตังค์วนละหมื่นเอาตังค์มานี้ <laughs> เดี๋ยวพาไปอาบแดดให้เอาไปอาบแดดตอนเช้าเพราะแดดตอนเช้านี่เป็น เป็นตัวกระตุ้นวิตามินในร่างกายนี่เอาลอให้นะแ ด, ด่ตอนเช้าเนี่ยแต่ยังไปตั้งตอนเที่ยงนะกรอบเลยนะเหียวเอาลอให้มีแสงเช้ามาแสงอรุนอรุนโนไทและทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนนี่อเอาลอบอกกันไว้นั้นใครจะนอนกลางวันนอนยังไงกันแล้วแต่สู้นอนกลางคืนไม่ได้หรอกจริง ยังไงก็สู้นอนกลางคืนไม่ได้ร่างกายเราไม่โกหกตัวเองเพราะอัลลอฮ์สร้างกลางคืนมาให้ให้นอนไอ้ไวัยรุ่นสมัยนี้ที่มันเดินซึมซึมาเนะี่ะพ่อไร้นะกลางคืนไม่นอนไม่ต้องคูกออพอกลางวันเป็นไงหลับเอออย่าทำตัวสวนทางสิกลางคืนเราเลให้เวลานอนเนี่ย อันนี้เวลาเอาอายัดไปแปลให้ลูกฟังลูกเอ้ยเอาล้อสร้างคืนมาให้นอนลูกนะไม่ไปเที่ยวคืนนอนนอนนอนกลางวันเขาไปเที่ยวและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นการคํานวณคํานวณอะไรดวงอาทิตย์คำนวณอะไรดวงอาทิตย์คำนวณอะไรก่อนเลยคํานวณเวลาละหมาดไงละหมาดที่เราละหมาดกระทุวันเนี่ยใช้ดวงอาทิตย์เป็นการคํานวณไม่ใช่ดูปฏิทินนะไอ้ปฏิทินเนี่ยคือเขามาจากจากอะไรจากดวงอาทิตย์แต่แหละ เขาคำนวณมาแล้วเขาคำนวณมาไงไปทินคำนวณจากดวงอาทิตย์เวลาละหมาด ต, ต่อมาดวงจันทร์คำนวณอะไรคำนวณวันเวลาที่เราเข้าออกเดือนนี้ถือสินองค์สืบสิรเนี่ยก็ดูดวงจันทร์นี่คือการกำหนดให้มีขึ้นของอัลลอ์แม่อะยากรานี้พูดถึงเดชานุภาพของอัลลอ์แล้วก็ทั้งโลกก็ปฏิเสธไม่ได้นะ กตกระดีรุนอาจีซินอาลีมนี่คือเดชานุภาพและความรอบรู้ของลอเอาสุดท้ายและพระองค์ให้มีนูจูมนูจูมแปลว่าอะไรดวงดาวดวงดาวลิตาตะดูบิฮาและให้ดวงดาวทั้งหลายนี่มีประโยชน์แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าได้รับทางได้รับการ นำทางด้วยดวงดาวเหล่านั้นในความมืดทั้งในความมืดทั้งทางบกและทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงอายะนี้ไว้สำหรับกลุ่มชนที่ดยเรียนรูอา่าอัลล์พูดถึงเรื่องความกลางคืน เ, เรื่องกลางคืนมีอะไรบ้างนะอ่เดวนิดนึง ยุคชิลเลวันะฮารอรยะตอลูบูห์ฮาซีซาพระองค์ทรงให้กลางคืนครอบคุมกลางวันเวลาเราคุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเคยเห็นไหมมันจะค่อยคแผ่ออกไปคุมมันจะไม่ได้มืดพร้อมกันทีเดียวนะความมืดเนี่ยมันจะค่อยค่อยแผ่คุมมาเรืเรื่อยแสดงเป็นหลักฐานว่าโลกกลมนะเพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นเดียวกันมันต้อง พร้อมกันหมดแต่การที่มันมีค่อยๆไปในเพราะว่าโลกมันกลมมีอะไรอีกกลางคืนแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเรื่องดาวนะครับอันนี้สำคัญมากนะอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานนี้นะชาวซาลับได้บอกว่าเรื่องดวงดาวเนี่ยให้ใช้ประโยชน์สามเรื่องใครใช้ดวงดาวมาเป็นประโยชน์นอกจากสามเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องห้าม ยกเว้นสามเรื่องหนึ่งใช้ดวงดาวในการประดับประดาท้องฟ้าสมมุติเราไปดูดาวเนี่ยดั่งดูกับสามีภรรยาจูงมือกันขึ้นไปบนหลังคาดูดาวดูได้ไหมดูได้เนี่ยดูมัคครุของลอสวยจังเลยเธอเนี่ยดูดาวดูงนั้นดาวดวงนี้ดูกันไปซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยมีหรอก รุนโตเดี๋ยรุนโตมีไปดูแถวกองฟางฉันรู้ไปนั่งพิงกองฟางแล้วก็ดูดาวคนสมัยก่อนไงเขาชวนกันดูดาวโรแมนติกนะ <c oughs> <c oughs> อั <c oughs> นกี้าแล้วไงดีก้าชวนไปดูดาวท้องมันต้องมีดาดฟ้านะแบบบ้านสมัยก่อนต้องมีดาดฟ้าเห็นไหมมีหน้ามุกหน้ามุกเพื่อจะไปดูดาวฉันก็ชอบดูเออมันมันเพลินดีนะ มันสวยดีนะต้องยิ่งต่างจังหวัดดีนะถ้าเราอยู่กรุงเทพไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าไปต่างจังหวัดลองไปดูสิโอ้โหมันสวยดีมันบ๊อ๊บ ป, บปบ๊สวยเอาที่สองเอาไว้ขว้างชัยตอนเคยเล่ายัางชัยตอนมันจะแอบขึ้นไปฟังเอาความลับมาบอกเซฮ์นักเซฮ์นักวิ ย, ยาศาสตร์ที่มันมาทํานองทํานายใช้ชัยตอนอลัลลอฮ์ก็มีบัญชาให้ขว้างนั้นเป็นที่มาของดาวตกผีผีพุ่งใต้ก็ขว้างชัยตอนเนี่ย ต่อมาอันที่สามเป็นเป็นอะไรนะเป็นการนําทางเพราะคนสมัยก่อนเขาเดินเรือนี่กลางคืนเขาไม่เห็นทิศอะไรเขาก็จะดูดาวอไปทางนี้ดาวเหนือดาวใต้ดาวอะไรผมก็ไม่รู้ดูไม่เป็นหรอกนะใช้ในการนําทางทั้งทะเลทรายด้วยทะเลทรายก็มืดไปหมดก็รู้จะดูไงก็ดูท้องฟ้ารู้ออกไปทางนี้ไปทางนี้นี่คือสมประโยชน์ของดาวที่เอาล้อให้มาที่เหลือถ้าเอามาใช้นอกจากนี้ใช้ในการทํานายทายทัก ใช้ในการดูราศีทํานายนี่บาปหมดเลยเป็นชริกด้วยนะพอดาวตกปับ๊บเมืองดวงเมืองตกแล้วดวงเมืองไม่มมมดีอันิเศจเลยไม่ได้เอามาใช้เรื่องนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะอ่ะจบและสุดท้าย99นะถึง99 وَهُوَالَّذِي أ َ ش َ ء َ ك ُ م مِنَ النَّبِيُّ وَحِيدَةً فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوَدَعٌ وهو الذي ก็จะฟสั่นในเอหติลิเกอุมียาฟโห วะฮ์วะล่ะَ ز َ ل َ م ِ ا ل س َّ م ัลสัมัยมา خرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خ ا ي ر ة خادرة، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا. فأخرجنا منه خاضرا نخرج منه حب م َ ر ق ا วามินัَงขลิَ ا ق ِ ن กห์อ ن َ د َ ا ن ِ ي َ ة ย وجنات من أعنب وزيتون ورجمان مش มันไม่เหมาะกับเขา สัมมาสัมพุทธ you know yeah, ิเดชมารวียนอีกรอบนึงโอเนี่ไอ อันรู้อลสมารี إذا أ ث م ر وينعي ออสมารีย إذا أثمار وينعي อ อินนิดาลิกุมละอายาติลีกมียุมีนลิกุมีกอมยุมีนูนอ่ามาดูความหมายนะวัลลดีอันชากุมพระองค์คือ เนี่ยเป็นอญญายะที่บอกถึงความเดชานุภาพของล้อหมดเลยพระ อ, องค์คือคือได้ผู้ทรงให้พระเจ้าเกิดมาจากชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยใครย้อนต้องย้อนกลับไปที่ใครทุกคนมีจุดเริ่มต้นมาจากชีวิตเดียวเลยนบีอาดัมตอนอลัลลอฮ์สร้างนี่สร้างสร้างมาหลายคนหรือเปล่าเปล่าสร้างแค่หนึ่งชีวิตก็คือนบีอาดัมอา้าวแล้วพนังขาวามายังไงนี่ กระโดกซิคองนี่ถอดออกมาจากผู้ชายอ่าหลังจากมีคู่แล้ว <c oughs> มีคู่แล้วก็กลายเป็นมีลูกผู้หญิงกับผู้ชายเอลเรื่องนี้ไม่ได้สร้างผู้หญิงโดยตรงเหมือนกับนบีอาดัมนั้นลักษณะผู้หญิงจิตใจจะไม่เหมือนผู้ชายนะนั้นอันนี้เราต้องยอมรับธรรมชาติของผู้หญิงด้วยว่าจิตใจจะไม่เหมือนผู้ชายในเรื่องของ ความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแต่ผู้หญิงมีความซอบัตมากกว่าผู้ชายเรื่องการเลี้ยงลูกอันนี้ฉันยอมรับเลยฉันซอบัตไม่พอให้แม่เขาเลี้ยงดีกว่าถ้าเลี้ยงอยู่กับเราเด็ดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมีน้ำโผนะเออ <c oughs> อันนี้ยอมรับผู้หญิงเหมาะมากกับการเลี้ยงลูกนะอันนี้อันนี้ด้วยด้วยความเป็นความเป็นผู้ชายนะผู้ชายก็แล้วแต่จะ แข่งแกงมาจากไหนนะถ้าให้เลี้ยงลูกแล้วก็เสร็จสู่หญิงไม่ได้ อ, อมาจากชีวิตเดียวก็คือนบีอาดัมหลังจากนั้นก็มีพนางฮาวาแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ออกมาเป็นกอบาเอ็นเป็นเผ่าต่างๆว่ากันไปนั้นมนุษย์ทั้งโลกนี้ได้รับเกียรติเหมือนกันหมดก็คือเป็นมนุษย์เป็นเป็นมนุษย์ที่อัลลยกเกียรตินะ มากกว่าสัตว์สีเท้าสักศีความเป็นมนุษย์ไม่ไมไ ม, ไม่มีใครสามารถด้อยค่ากันได้แต่ในบรรดามนุษย์ด้วยกันใครที่จะมีเกียรตินั้นดูที่ยำเกรงดูที่ตักว่าเออถ้าเทียบความเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเท่ากันหมดไม่มีใครสูงกว่าต่ํากว่าความเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าพูดถึงนะที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูที่ตักว่าความยำเกรงเวลมุสตะกรุวลมุสตาวดะ และอัลลอ์เนี่ยโดยให้มีที่พักแล้วก็ที่ฝากโอ้โหที่พักที่ฝากงงเลยอะไรคือที่พักอะไรคือที่ฝากพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยมาจากตับซีดนะอิมโนมัสูดอับบาสอัลกอยสฮาชิมูจาฮิตอัลโนันคอนาอีโอ้ยกอตาดาอัซุดดีโอ้ยเพียบเลยไม่ใช่ผมคิดเองนะนี่คือมาจากในตับซีดที่ฝากก็คือกระดูกก้นกบ ที่พักก็คือมดลูกเพราะเวลาที่จะมีการปฏิสนธิกันเนี่ยต้องใช้อาสุจิไปฝากไปฝากเอาไว้ในมดลูกแล้วมดลูกก็พักจริงไหมไม่มีหรอกพอนอนหลับกันปุ๊บเจอเดินออกมาจูลูกออกมาแล้วไม่มียังไงก็ต้องใช้เวลาพักพักตรงนี้เก้าเดือนน้อยสุดคือหกเดือนกับอีกหนึ่งละฝัด ไม่ต้มีไว้ทำอะไรว่นหนึ่งนะฟัดเนี่ยนะหนึ่งละัดคือนมล ม, ลมหนึ่งลมหายใจหกเดือ น, อนแปลว่าเมื่อมนุษย์ตั้งคันจะต้องมีอายุคันอย่างน้อยหกเดือนกับหนึ่งวินาทีประมาณนี้หนึ่งลมหายใจนี่ในตำราฟิกนะไม่เข้าใจคืออ๋อไอ้นี่มันเป็นตำราฟิกเขา หกเดินกันหนึ่งละฟัด อ, อ๋อฉันก็ไม่รู้ว่ามีทําไมมันกันหนึ่งละฟัดหนึ่งลมหายใจก็1วิเหมือนกันนีฟาสน่ยนีฟาน้ฟาส์เขาบอกว่าหนึ่งวิออกมานิดหนึ่งก็ถือว่านับยังไงต้องมีนีฟ้าสเนี่ยน้อยสุดของมันคือหนึ่งละฟัดหนึ่งลมหายใจก็หนึ่งวิในําราฟิกนะคือมันต้องมีนีฟ้าส์ไม่ ม, ไมีไม่ได้เลยใครคลอดลูกแล้วไม่มีนีฟาน้าสอย่างน้อยต้องมีสักหนึ่งวิออกมาแต่มันน้อยมากไงคือคนที่มีหนึ่งวินน้อยมาก เป็นแทบเป็นเป็นไป น, น้อยมากเหมือนการคนที่จะคลอดลูกออกมาต่ํากว่าหกตอมหกเดือนเน่ยเป็นไปนไม่ได้มุสตาฮินแต่คาใดที่แต่งงานแล้วไม่ถึงหกเดือนแล้วคลอดลูกออกมาเอาไปเคี่ยนทันทีทําไมอ่ะจินา่าไงอ๋อไม่ใช่ น, นี่พูดถึงสมัยก่อนเชิญการ์ดไปนีกลางวันนั้นสี่เดือนแป๊บเดียวเชิญอากิโก้เรียบร้อยเอามาเคียนเลยถือว่าจิน่าแล้วเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ต้องเกินหกเดือนแต่ถ้าเกินหกเดือนไม่มีไม่สามารถไปกล่าวหาเขาได้ทําทจีนานะเพราะมันยังอยู่ในระยะของการตั้งครรภ์ได้จนกระทั่งมัมชาฟีบอกสองปีอยู่ในท้องได้ถึงสองปีนะแต่ว่าถ้าสองปีฉันว่าน่าจะวิ่งออกมาเลยแหละแต่มีคนเคยท้องปีนึงนะมีคนสมัยก่อนมีไม่ออกอะ่ะอยู่งั้นนะ่ยเกือบปีหนึ่งค่อยคลอดออกมา อ่ะนี่โตบอกมีปีหนึ่งออกมาเนี่ยน่าจะผมยาวแล้วไม่ไมจริงๆมีอันนี้เป็นเรื่องทีการ์ย่านะบอกว่ามัมเซฟีเนี่ยอยู่ในท้องแม่นานมากไม่รู้กี่เป็นมาปีกว่าแล้วมัง่งกว่าจะออก <S <S สองปีเนี่ยจีบอกอยู่กูในท้องแม่สองปีกว่าจะออกมาฉลาดเลย อันนี้ตามตำราฟริกเป็นอย่างนี้ถ้าเกินกว่าสองปีแสดงว่าตายแล้วอยู่ไม่ได้ก็เดาฟ้อนนั้นอายาตีริกามีอยู่กี่นูน <c oughs> <c oughs> แน่นอนเราได้แจกแจงอายะทั้งหลายไว้แล้วสำหรับผูมคนที่เข้าใจพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ที่ฝากไอ้ที่รับเนี่ยต้องเหมาะสมกันเวลาจะแต่งงานกันเนี่ย ถ้าไปแต่งงานไม่เหมาะสมกันฝากไม่มีผลเช่นเอาคนอายุประมาณสักยี่สิบห้าไปแต่งกับโตอายุแปดสิบยังไงก็ไม่เกิดลูกเพราะว่าไม่มีผลอะไรเพราะที่ฝากไม่เหมาะกันต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมกันเห็นไหมไม่ใช่ว่าฝากมั่วไปหมดฝากไปเรื่อยไปใช่ต้องฝากในที่เหมาะของมันถึงจะเกิดผลแต่ถ้าแชร์แปดสิบไปแต่งสิบเก้าได้ อันนี้มีผลทำไมอ่ะผู้ชายนี่ได้ยันนุ่นเละแปดสิบเก้าสิบมีหมดเอาล้อไม่เก็บนะผู้ชายเนี่ยแปลงนะแต่ผู้หญิงเนะีเอาล้อเก็บนะ น, น, นี่เป็นนี่เป็ น, น, ปนผู้ชายแต่ว่าไอ้ที่แปดสิบที่ไม่ไหวเพราะอะไรเบาหวานความดันไขมันอัน น, น, นี้อันนี้ไม่เกี่ยว <laughs> นี่ผมไปเจอคนคนหนึ่งเขาออกกำลังกายที่กรกอเนี่ยอายุ หกสิบกว่าแกเป็นนักวิ่งมาราทอนเจ็ดสิบแล้วอ้าวเจ็ดสิบเลยแกฉันจะชูวไม่ได้เลยแกเดินจนกระทั่งตัวแกไม่มีไขมันเลยนะคนออกกำลังกายเนี่ยแข็งแรงอย่างเนี้ยไม่ไม่เท่าไรหรอกเดินสองทีก็เหนื่อยแล้วแปลเวเข้าตัวเองอ้าววลาดีอันเซลามินัสมาอ้าวพระองค์ผู้ทรงทำให้น้ำ หลั่งลงมาจากฟ้ากฟ้าฝนพี่น้องรู้ไหมว่าเมฆเนี่ยที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นมันปล่อยมั น, นถ้าเอามาน้ําหนักมารวมกันเนี่ยเท่ากับภูเขาไมนุษยกี่ลูกแต่เอาล่อให้น้ํามันอยู่บนท้องฟ้าได้วันนั้นฝนตกที่ดูใบเจดสบห้าปีไม่เคยตกมาก่อนและคิดดูดิน้ําขนาดนั้นตกลงมาบนพื้นเนี่่น้ําท่วมอะแล้วมันอยู่บนฟ้าไงถ้าไม่ใช่เอาล่อ AH ทําเนี่ยมนุษย์ทําได้ที่ไหน เอาน้ำไปบนบ้าสักรถสิบล้อสักกี่คันทำได้เนี่ยอัลลอฮ์ทำนะเมฆฝนที่เราเห็นมันเป็นหมอนไม่เม่นลอยเนี่ยนั่นมีน้ำหนักนะถ้าเอามาชั่งเนี่ยโอ و, ้โหหนักมากในนักวิยาศาสตร์บอกนะและทรงให้น้ำตกลงมาออกมาเป็นน้ำพอน้ำมาโดนกับพืชพันก็งอกออกมาเป็นพืชและก็เป็นสีเขียว คือเมืองไทยเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยแห้งแล้งไม่เหมือนอาดับอารับเนี่ยหลังจากฝนตกนับไปวันหนึ่งพอกลับไปดูนะเขียวหมดเลยจากที่เป็นทะเลทรายนะพอฝนตกปุ๊บไปสองสามวันไปดูดิเขียวขึ้นหมดเลยเพราะมันมีมเมล็ดที่พวกสัตว์มันกินทิ้งเอาไว้ไงพอไปเจอน้ำมันก็งอกออกมาเราได้ให้ออกมาซึ่งมเมล็ดที่ซ่อนตัวอยู่ข้าวเนี่ยไม่เห็นมันนะมันถูกซ่อนอยู่ในอะไร ในรวงข้าวมาเมล็ดนนะ่ะถูกซ่อนไว้อีกซ่อนไว้ในรวงข้าวในฝักมเมล็ดบางอันอยู่ในผลจันของอิทผาลัมแล้วต้นผาลัมนั้นจันของมันห้อยลงมาอิทผาลัมเนี่ยก้านมันอยู่ข้างบนถูกปะ่ะและทีมันห้อยลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือตัวของผลมันผลมันจะเก็บง่ายพูดง่ายง่ายมันจะลงมาให้เราตัดเลยแหละ เมื่อตไปเหมือนทุเรียนทูเรียนเน่ยเหนื่อยกว่าจะไปตัดปีนขึ้นไปเหนื่อยแต่ปาลัมเนี่ยเราสร้างให้ง่ายมากพอมันออกลูกมามันก็โน้มออกมาแล้วก็ตัดปาลําสวนอ่างางูองุูนี้ก็ง่ายมันแคนห้อยลงมาเข้าปากเลยแขวนเอาไว้มะกอกทับทิมมีสภาพที่คล้ายกันและไม่คล้ายกันเขาบอกอย่างนี้ตัวมันคล้ายกันแต่รสชาติมันไม่เหมือนกันเลยมะกอกกับทับทิมนี่นะผลเหมือนผลดูข้างนอกเหมือนเหมือนกันเลย รสชาติเป็นไงต่างกันอ่าจบละและจงพิารนาดูผลของมันและเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันสุกให้ไปจ้องดูผลตั้งแต่แรกเพราะผละไม้เนี่ยเวลามันออกปั๊บเนี่ยมันไม่จะกินได้เลยนะมันต้องรอช่วงเวลามันได้เรื่อยจนกระทั่งมันสุกถึงจะกินได้นี่คือกระบวนการที่อัลลอได้กาหนดเอาไว้ในพืชไม่ใช่ว่าปลูกปั๊บกินได้เลย มีที่เดียวนะพี่น้องครับที่ปลูกแล้วได้กินได้เลยคือในสวรรค์ในสวรรค์เนี่ยพอหันไม่ทีปุ๊บอา้าวสุกแล้วกินเลยแต่ถ้าในโลกเรานะ้ยปลูกปั๊บไม่มีอะไรได้กินเลยต้องรอจนกว่ามันจะสุกมันจะอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะได้กินเลยไปตลาดง่ายมากไม่ต้องไปรอปลูกไปดิจะซื้ออะไร <c oughs> เออเพราะเขาไม่เอาของดิบมาขายอยู่แล้วเอาแต่ของสุกมาขาย แท้จริงสิ่งเหล่านี้แน่นอนเป็นสัญญาณอันมากมายสําหรับกลุ่มชนที่ศรัทธานี่ผมบอกแล้วสุรอ้อนอามเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะเอาไปอ่านเถอะแล้วจะได้รู้ว่าความเดชานุภาพของของอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพทรงกําหนดต่างๆเพราะสุรอ น, นี้เป็นสุรอม ก, กียาจะเล่าถึงความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างต่างๆแล้วก็นวยศาสตร์ตัวอย่างก็มา เจอข้อที่จริงทั้งหมดนะครับนั่นก็ประมาณนี้นะสุบหานะก็รอคุณดีกาชุดอัลลอิลาฮอิลลนตสตฟิกวัตบไดอัสลามอันอีกุมราะมตุลลอฮบรกตุ